ปาจิตตีภูตคาม์มาวัชที่สองสิกขาบทที่หนึ่งว่าเป็นปาจิตตีในเพราะความถูกพระแห่งภูตคาหมภูตคามนั้นเป็นศัพท์พิเศษแปลตามพยัญชนะว่าอย่างไรไม่แน่แก่ใจจะกล่าวมากไปก็จะเฟือในที่นี้หมายเอาพืชพันธ์อันเป็นอยู่กับที่ท่านแจกไว้ห้าชนิดพืชเกิดจัดเงา คือใช้เง้าเพราะเช่นขมิ้นหนึ่งพืชเกิดจากต้นคือตอนออกได้จากไม้ต้นทั้งหลายมีต้นโพเป็นอาทิหนึ่งพืชเกิดจากข้อคือใช้ข้อปลูกได้แก่ไม้ลำเช่นอ้อยเช่นไม้ไผ่อย่างหนึ่งพืชเกิดจากยอดคือใช้ยอดปักก็เป็นได้แก่ผักต่างๆมีผักชีล้อมเป็นอาทิอย่างหนึ่ง พืชเกิดจากมเมล็ดคือใช้มเมล็ดเพาะได้แก่ข้าวถั่ว ง, งาอย่างหนึ่งกล่าวตามอัธกถาในพืชพันธุ์อันถูกรากจากที่แล้วแต่ยังจะเป็นได้อีกเรียกผีชะครามผูตครามเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีผีชะครามเป็นวัตถุแห่งทุกฏก ภิกษุพราคเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นพรากก็ดีซึ่งภูตคามต้องปาจิตตีทำลายเองก็ดีใช้ผู้อื่นให้ทำลายก็ดีซึ่งพีคคามต้องทุกกฎอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นสจิตตกะเหมือนกันคือต้องมีเจตนามีความจงใจทำ เชรอยจะสันนิฐานว่าสิกขาบทนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกับสิกขาบทห้ามขุดดินกระมังอธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในยะในสิกขาบทนั้นปาจิตตีภูตคามาคสิกขาบทที่สองว่าเป็นปาจิตตี ในเพราะความเป็นผู้กล่าวคำอื่นในเพราะความเป็นผู้ให้ลำบากมีอธิบายดังนี้ภิกษุถูกโจทย์ด้วยอนาจารคือความประพฤติไม่ดีไม่งามและถูกซักอยู่ในถ้ากลางสงไม่ปรารถนาจะให้การตามตรงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียอย่างนี้เรียกว่ากล่าวคำอื่น อย่างหนึ่งไม่ทำดังนั้นถูกซักเข้านิ่งเฉยเสียไม่ตอบอย่างนี้เรียกว่าอย่างสงให้ลำบากภิกษุทาเช่นนี้มีพระพุท ธ, ธานุญาตให้สงสวดประกาศข้อความนั้นด้วยยติทุติยกรรมอย่างต้นเรียกว่ายกอัญญาวาท ก, กรรมขึ้นอย่างหลังเรียกว่า ยกวิเหตสะกักรรมขึ้นเมื่อทรงยกกรรมสองอย่างนั้นขึ้นแล้วหรือตายอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุขืนทําซ้ําอย่างนั้นอีกต้องปาจิตตีแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อทรงไม่ได้ทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุนั้นทําอย่างนั้นต้องทุกกอดอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอาจิตตกะ คือแม้ไม่จงใจก็ต้องอาบัตถ้ากรรมนั้นสงทําเป็นธรรมแล้วมีเจตนาอย่างไรก็ตามทำอย่างนั้นคงไม่พ้นอาบัตเว้นไว้แต่อาการที่แสดงนั้นไม่จัดว่าเป็นการกลบเกลื่อนหรือทำให้ลำบากเช่นไม่เข้าใจคำถามแล้วย้อนถามหรือเจ็บให้การไม่สะดวกความแห่งสิกขาบทนี้ ควรเป็นแบบสำหรับภิกษุเมื่อถูกไต่สวนในอาธิกร่อนแล้วจะพึ่งเคารพในสงฆ์ผู้นั่งพิจารณาและให้การตามสัตว์ตามจริงไม่ทำอาการดูหมิน่นเอาเรื่องอื่นเข้ามากลบเกลื่อนเล่นสำนวนหรือนิ่งเฉยเสียไม่ให้การทีเดียวปาจิตติปูตะคามวัก สิกขาบทที่สามว่าเป็นปาจิตตีในเพราะความเป็นผู้พนธนาในเพราะความเป็นผู้บ่นว่ามีอธิบายดังนี้เป็นธรรมเนียมอยู่ในหมู่สงจะสมมุติภิกษุบางรูปไว้ทากิจสงเช่นผู้จัดเซนาสนะให้อยู่เป็นผู้แจกอาหารและอื่นๆ อ, อ, อีกภิกษุผู้ไม่ได้รับประโยชน์ที่พอใจ เช่นได้เสนาสนะที่เลวและอาหารที่สามคือถูกแสดงให้ไปรับในสำนักของทายกผู้ยากจนไม่ได้ช่องจะไปในสำนักของทายกผู้มั่งมีที่จะได้ของประณีดด้วยไม่เข้าใจธรรมเนียมที่ท่านแจกว่าอย่างไรหรือด้วยกำลังโทมนัสพูดกล่าวโทษต่อหน้าท่านภิกษุอื่นอย่างนี้เรียกว่าโพนธนาไม่ทาอย่างนั้นเป็นแตกผู้ติท่าน หรือแสดงความขัดใจของตนลำพังผู้เดียวไม่ตั้งใจจะให้ใครฟังอย่างนี้เรียกว่าบ่นว่าเมื่อท่านทำหน้าที่ของท่านเป็นธรรมภิกษุผู้โพรธ น, นาก็ดีผู้บ่นว่าก็ดีต้องปาจิตตีในคำภีวิพังกล่าวว่าภิกษุพลธ น, นาก็ดีบ่นว่าก็ดีต่อหน้าอุปสมบันต้องปาจิตตี ต่อหน้าอนุปัมบันต้องทุกกฎท่านกล่าวอย่างนี้หมายความอย่างไรความแห่งศิกยาบทหาได้ระบุไว้ชัดไหมนักวินัยพึงดำริหาเหตุดูเถิดพรธนาหรือบนว่าภิกษุที่สงไม่ได้สมมุติแต่ทำการสงตามลำพังตนเองต้องทุกกฎถ้าท่านทำการไม่เป็นธรรม ลำเอียงดีอักติจริงๆรนทนาบ่นว่าท่านว่าไม่เป็นอาบัติข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจความข้อนี้ว่าถ้าท่านทําการไม่เป็นธรรมพูดขึ้นตามเหตุไม่มีเจตนาจะแส้โทษหรือค่อนขอดจึงไม่เป็นอาบัติถ้ามุ่งจะโพนธนาหรือบน่นไหว้เสียชื่อเห็นไม่พ้นจากอาบัติทุกกฎ เพราะไม่เป็นธรรมเนียมที่ดีซึ่งจะพึงอำนวยให้ทำได้ปาจิตติภูตคามวัคสิกข า, กกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดวางไว้แล้วก็ดีให้วางไว้แล้วก็ดีซึ่งเตียงก็ดีตังก็ดีปู ก, ก็ดี เก้าอี้ก็ดีอันเป็นของสงในที่แจ้งเมื่อหลีกไปไม่เก็บก็ดีไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งเศนาสนะที่วางไว้นั้นหรือไม่บอกสั่งไปเสียเป็นปาจิตติในสมัยมิใช่ฤดูฝนมีพระพุทธานุญาตให้วางเศนาสนะไว้ได้ ใต้ป่ารำใต้ต้นไม้ที่นกกาจะไม่ถ่ายมูลรดได้ของสงเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีของบุคคลนอกจากของตนเองเป็นวัตถุแห่งทุกกฎของตนเองเป็นวัตถุแห่งอนาบัตคือไม่อาบัตในสิกขาบทระบุชนิดของเว้ชัดเสนาสนาอย่างอื่น มีเสือและแผ่นกระดาษเป็นต้นทั้งของสงฆ์ทั้งของบุคคลท่านว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฎเศนาสนะที่ระบุชื่อไว้ในสิกขาบทนั้นเพียงเอาไปใช้ในที่แจ้งไม่ห้ามแต่ไม่ให้ทอดทิ้งไว้เพราะเหตุนั้นเมื่อจะหลีกไปเก็บเองหรือใช้ให้เขาเก็บหรือเป็นแต่เพียงบอกมอบหมายคนอื่นก็ได้ ไม่เป็นอาบัตนั่งอยู่ก่อนมีใครมานั่งภายหลังเป็นธุระของเขาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นไปโดยด่วนไม่เป็นอาบัตเอาของเช่นนั้นออกตากไม่นับเข้าในที่นี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติเพื่อจัดการความสักเพ่าและเพื่อให้รู้จักถนอมของ กลืนถือเป็นแบบอย่างปาจิตติภูตะคามวัคสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดปูแล้วก็ดีให้ปูแล้วก็ดีซึ่งที่นอนในวิหารเป็นของสง์เมื่อหลีกไปไม่เก็บก็ดีไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่งที่นอนอันปูไว้นั้นหรือไม่บอกสั่งไปเสียเป็นปาจิตติที่นอนในที่นี้หมายเอาฟูกเสือและผ้าปูนอนและของชนิดเดียวกันไม่ได้หมายเอาเตียงเอามา้าซึ่งเป็นของใช้ตั้งวิหารนั้นได้แก่ที่อยู่ซึ่งในบัดนี้เรียกว่ากุดีทั้งนั้น หมายเหตุและปัจจุบันเรียกว่ากุติวิหารของสงฆ์เป็นวัตถุแห่งปาจิตตีของบุคคลอื่นนอกจากของตนเป็นวัตถุแห่งทุกกฎของตนเองเป็นวัตถุแห่งอนาบัตคือไม่ต้องอาบัตส่วนที่นอนนั้นไม่ได้ระบุชัดในสิกขาบท ว, ว่าของใคร ในอัธกถากล่าวดูที่เป็นของสง์เหมือนกันอธิบายความไปตามนิทานคือเหตุที่มาต้นเรื่องแห่งสิกขาบทว่าทำอย่างนั้นทั้งที่นอนทั้งเซนาสนะคือกูดีอาจเป็นอันตรายเพราะปลวกกัดแต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิกขาบทนี้เพิ่งถึงการกีดที่กีดทางที่นอนนั้นจึงไม่นานิยมเจ้าของ เป็นของไรก็ตามถ้าเพ่งถึงการทำของเสียแก้ว่าเป็นของสงก็ชอบอยู่เพราะในสิกขาบทกล่าวถึงที่นอนตั้งเตียงตั้งต่า ง, งทิ้งไว้ในวิหารแม้เป็นของสงท่านปรับเป็นเพียงทุกกฎเตียงต่างเป็นของใหญ่ตัวกีดที่มากจะเป็นวัตถุแห่งทุกกฎ อยู่ข้างจะเพลาในอัธกถาแก้ว่าเตียงตัางปลวกไม่อาจากัดทันทีตั้งทิ้งไว้จึงเป็นเพียงทุกกฎอันหนึง่งกล่าวถึงวิหารท่านจึงแก้ว่าอุปทานศาลาคือโรงฉันและที่อื่นเป็นวัตถุแห่งทุกกฎมีอธิบายในอัธกถาว่า ในที่เช่นนั้นอาเสียเพียงที่นอนเสนาสนะไม่เสียท่านจึงกล่าวว่าเป็นเพียงทุกกฎกิริยาหลีกไปในสิกขาบทนี้หมายความว่าไปไม่กลับถ้าไปยังจะกลับไม่นับว่าทิ้งของไว้ยังไม่เก็บก็ไม่เป็นอาบัติอธิบายนอกจากนี้ เหมือนในสิกขาบทก่อนสิกขาบทนี้ควรเป็นแบบอย่างภิกษุพูดจะไปอยู่อื่นไม่ควรจะทอดทิ้งสิ่งของของตนไว้ให้กิดขวางเสนาสนะของสงฆ์ที่ภิกษุอื่นจะอยู่ต่อไปปาจิตติปุตคามวัช สิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่สำเร็จการนอนเข้าไปเบียดภิกษุผู้เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ด้วยหมายว่าความคับแคบจะมีแก่ผู้ใดผู้นั้นจะหลีกไปเองทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัยหาใช่อย่างอื่นไม่เป็นปาจิตตีอธิบายว่า ทวีหานั้นเป็นของสงฆ์และมีภิกษุแก่กว่าหรือภิกษุไข่เข้ามาอยู่ก่อนภิกษุใดรู้อยู่เข้าไปอยู่เข้าไปนอนแทรกแซงในอุปจาระคือที่ใกล้แห่งเตียงก็ดีแห่งตังก็ดีแห่งทางเข้าทางออกก็ดีไม่มีเหตุอย่างอื่นที่ควรจะทำอย่างนั้นต้องปาจิตตี ทำในวิหารของบุคคลนอกจากของตนเองต้องทุกกฎทำในอุปจาวราแห่งวิหารก็ดีในที่อื่นอันไม่ใช่ที่อยู่เฉพาะตัวเช่นในอุปทานาาลาก็ดีในปา ร, รามในโคนไม้ในที่แจ้งก็ดีต้องทุกกฎทำในวิหารของตนไม่เป็นอาบัติแม้ในวิหารของสงศ์ เมื่อมีเหตุอื่นที่จำจะเข้าไปเช่นเจ็บไข้ถูกหนาวถูกร้อนเหลือทนหรือมีภัยอันตรายเช่นถูกคนไล่ตามจะทำร้ายเข้าไปขออาศัยไม่เป็นอาบัติสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะให้นับถือกรรมสิทธิ์ของท่านผู้อยู่ก่อนในที่อันเป็นสาธารณะแก่ภิกษุด้วยกัน ปาจิตตีภูตะคามวักสิกขาบทที่เจ็ดว่าอนหนึง่งภิกษุใดโกรธขัดใจฉุดกล้าก็ดีให้ชุดกล้าก็ดีซึ่งภิกษุจากวิหารของสงเป็นปาจิตตีความมุ่งหมายของสิกขาบทนี้ดูเหมือนจะห้ามไม่ให้แย่งที่อยู่กันจะเข้าใจว่าติดต่อมาจากสิกขาบทก่อนคือเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียด ด้วยมาจะให้ท่านผู้อยู่ก่อนหลีกไปเองรั้นไม่สำเร็จเข้าชุดคร่าขับไล่ไปเสียคนเาบริขารออกต้องทุกกฎอธิบายนอกจากนี้พึงรู้โดยนัยยะเนสิกาบทก่อนขับสัตทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกผู้ประพฤติไม่ชอบก็ดีขับภิกษุผู้ไม่สมควรจะให้อยู่ก็ดี จัดสานักของตนไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้สัตธิวิหาริแปลว่าผู้อยู่ด้วยเป็นคำเรียกผู้ได้รับอุปสมบทถ้าอุปสมบทอาศัยอุปชารูปใดก็เป็นสัตธิวิหาริของอุปชารูปนั้นหรือแปลว่าสิทธิของอุปชาเรียกว่าสัตทิวิหารีก็มี ส่วนอันเตวาสิกหมายถึงผู้อยู่ในสำนักหรือภิกษุผู้ขออยู่ร่วมสำนักหรือหมายถึงศิษย์ปาจิตตีปุตคามวักสิกขาบทที่แดว่าอันหนึ่งภิกษุใดนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีซึ่งเตียงก็ดี ซึ่งตั้งก็ดีอันมีเท้าเสียบในตัวเตียงบนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์เป็นปาจิตติเตียงมีหลายชนิดชนิดที่กล่าวถึงในสิกขาบทนี้เขาทำเอาเท้าเสียบเข้าไปในแม่แคร่ไม่ได้ตรึงสลักเรียกทับศัพท์ว่าอาหัสจะบาทร้านในที่นี้คือครองที่ตั้งขึ้นในวิหาร ปักเสาเตาม่อขึ้นแล้ววางรอดบนนั้นสูงพอศีรษะไม่กระทบพื้นถ้าไม่ใช้ปูพื้นข้างบนก็เอาเตียงวางลงไปให้พื้นเตียงคานรอดอยู่ขาเตียงห้อยลงไปใช้อยู่ได้ทั้งข้างบนข้างล่างร้านข้างบนนั้นเรียกทับศัพท์ว่าเวหาสั ก, กุดีหรือเวหาสกูดี ข้าพเจ้าก็ใจว่าเสนาสนะอย่างนี้ใช้กันมาแต่ครั้งคนยังไม่รู้จักทาเรือนหลายชั้นแม้ในภายหลังคงจะใช้ในโรงที่มีพื้นล่างเป็นดินอยู่บนนั้นจะได้ไม่ชื้นต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทนี้ว่าภิกษุรูปหนึ่งนั่งบนเตียงนั้นโดยแรงเท้าหลุดลงมาถูกศีรษะภิกษุข้างล่างจึงได้ทรงห้าม ไม่ให้นั่งนอนบนเตียงเช่นนั้นอันอยู่บนร้านความก็ชัดแล้วแต่ยังไรจึงกล่าวถึงวิหารของสงซ้าในคำพีวิพังยกเอาเป็นวัตถุแห่งติกาปาจิตติ ด, ด้วยขพเจ้าไม่เข้าใจเห็นความสำคัญอยู่ที่ชนิดของเตียงและร้านต่างหากหรือจะถือว่าวิหารเป็นของสงที่เป็นที่อยู่ของภิกษุอื่นอีกด้วย เช่นภิกษุบางรูปจะได้รับแจกเสนาสนะข้างบนร้านบางรูปจะได้รับข้างล่างเช่นนี้ก็พอไปได้แต่แปลว่าสงห้ามไม่ให้ใช้ร้านเช่นนี้เป็นเสนาสนะต่อไปเว้นไว้แต่จะเป็นของที่ทำให้แน่นหนาเพราะเหตุนั้นในคำภีวิพังจึงกล่าวว่าถ้าร้านนั้นสูงไม่พนศีรษะ ข้างล่างไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่ก็ดีข้างบนปูพื้นไว้ก็ดีเท้าเตียงเท้าต่างนั้นได้เริงสลักกับตัวเตียงเมื่อนั่งลงไปจกไม่หลุดลงมาก็ดีนั่งทับนอนทับไม่เป็นอาบัติปาจิตตีภูตะคามวัชสิกขาบทที่กาวว่า อันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทําซึ่งวิหารใหญ่จะวางเช็ดหน้าเพียงไรแต่กรอบแห่งประตูจะบริกรรมช่องหน้าต่างพึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียวอำานยให้พอกได้สองถึงสามชั้นถ้าเธออำานยคือให้พอกยิ่งกว่านั้นแม้ยืนในที่ปราศจากของเขียวสดก็เป็นปาจิตติ คำว่าเช็ดหน้าหมายถึงการฉาบพอกเพื่อให้มั่นคงหรือหมายถึงไม้กรอบประตูหรือหน้าต่างแห่งตึกบาลีแห่งศิขาบทนี้เข้าใจยากทั้งศัพท์ทั้งความข้าพเจ้าไม่อาจรับรองว่าคำที่แปลไว้นั้นเป็นถูกจะกล่าวถึงแง่ที่ควรพิจารณาก็ยืดยาวเกินต้องการในที่นี้ จะขอกล่าวได้แต่เพียงมูลเหตุแห่งบัญญัติพอเป็นทางดําริของนักวินในในนิทานคือเหตุที่มาต้นเรื่องกล่าวไว้ว่าพระชันนะให้พอกให้โบกวิหารที่ทําสําเร็จแล้วบ่อยๆเข้าวิหารหนักทนไม่ไหวก็พังลงท่านจึงเก็บรวบรวมหญ้าและไม้ได้ยังนาข้าวเหนียวของพราหมู้หนึ่งให้เสียหาย พระสัสดาทรงป่ารบเรื่องนี้จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ปาจิตตีพุทธคามวัชสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์รถก็ดีให้รถก็ดีซึ่งยญาก็ดีซึ่งดินก็ดี เป็นปาจิตตีน้ำมีตัวสัตว์นั้นหมายเอาตัวสัตว์เล็กๆอันอยู่ในน้ําเช่นลูกน้ำเพราะคาว่ารู้อยู่อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะคือต้องมีเจตนาจงใจกระทําแม้น้ํามีตัวสัตว์ภิกษุสําคัญว่าไม่มีรดลงไม่เป็นอาบัต